ของขวัญและผัสสะตรัสตอบเท้ามหาราทะผู้เป็นจอมแห่งอสูรถึงการที่ภิกษุทั้งหลายยินดีในพระธรรมวินัยนี้ซึ่งมีความอัศจรรย์แปดอย่างเทียบด้วยความอัศจรรย์แปดอย่างของมหาสมุทรที่เท้ามหาราทะกราบทูนคือหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้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 คือเจริญสติปัฏฐานสี่อิทิบาส4อินรีห้าโพชงเจ็ดและอริยมรรคมีองค์แปด้วยดีตรัสแสดงขณะหรือสมัยอันไม่สมควรเพื่ออยู่ประพฤติพ ร, รมจรรย์แปดประการคือหนึ่งเกิดในนรกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเกิดขึ้นแสดงธรรม 2. เกิดในกำเนิดเดรัจฉานส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 พระผู้มีพระภาคตรัสเพิ่มเติมข้อสุดท้ายคือธรรมะนี้ของผู้ไม่เนิ่นช้าพระอนุรุตปฏิบัติตามก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์วักที่สชื่อทานวักว่าด้วยทานการให้ตรัสแสดงทาน8ดอย่าง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 ทำให้เกิดมีส่วนดีในมนุษย์สทํทำทาและรักษาศีลมากแต่ไม่มีภาวนาเลยทําให้เกิดในเทพชั้นจาตุมหาราชข้อสี่ถึงปดททาและรักษาศีลมากแต่ไม่มีภาวนาเลยทําให้เกิดในเทพชั้นดาวดึงชั้นยามะชั้นดุสิ์ชั้นนิ ม, มานารดี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 คือ 1-5 ข้อแรกเหมือนกับที่ตรัสไว้แล้วในบทก่อนข้อ6ถึงพระรัตนนตรัยเป็นสารณะ 7. มีศีล 8. มีการบริจาคตรัสแสดงธรรมแก่นางวิสาขาและแก่ขรหาปตานีมารดาของนักุลามานบในทํานองเดียวกับที่ตรัสแก่พระอนุรุต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 การบริจาคและปัญญา